มันไม่เกิดยังไม่เกิดถ้าสติจริงๆเกิดนะใจจะตั้งมั่นเป็นกลาง <Okay. S 1> คือตัวที่จะช่วยให้เราตัดกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปนี่คือตัวปัญญาสติมีหน้าที่ไปจับนะปัญญามีหน้าที่ตัดนี่ปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางงั้นเวลาที่สติเราไประลึกรู้สภาวธรรมเช่นความโกรธ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 เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สุดโตไปข้างใดข้างหนึ่งมันทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทําให้เราเห็นว่ามันมีไตรลักษณ์ยังคิตพลมได้ไปดูให้มีไตรลักษณ์ดูยากนะมันสบายอยู่อย่างนั้นแหละมันสงบอยู่อย่างนั้นแหละหาไตรลักษณ์ยากเทวดาจิตเทวดาอย่างคุณมนี่พวกจิตเทวดาพวกบ้าบุญชอบทําบุญแล้วมีความสุขเข้า ว, วัดโน้นออกวัดนี้มีความสุขไปเรื่อยนะพวกนี้ก็ภาวนายากมันจะเพลิน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 มัน ม, มีความพอใจด้วยมันมีความพอใจไงมันเลยจงใจไปปฏิบัตินะรู้สึกไหมมันกระเฮียนกระหือจะปฏิบัติแบบเนี้ยครับมันคึกคักที่จะปฏิบัติคือเม่ชามันมีฟุ้งซ่านฮนะเอะดี ร, รู้ไปเรืยแต่บางที่พอหลวพอพูดแล้วเผลอๆมันก็จะหายไปอืพอรู้ตัวอีกทีก็ตั้งท่าขึ้นมาตั้งท่าของคุณผู้หญิงเนี่ยใช่ลอยไปแล้วนะ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 มันเป็นของมันแต่เดี๋ยวเดี๋ยมันก็เออเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนั่นแหละเมื่อไรขาดสตินะมันก็เป็นเราฟุ้งซ่านเมื่อไร ม, มีมีสติมันก็เห็นสภาวะธรรมของความฟุ้งซ่านแล้วก็จะมีความรําคาญที่มันฟุ้งซ่านด้วยเห็นไหมโบราณถึงบอกว่าฟุ้งซ่านรําคาญใจอุทัด จ, จะแล้วก็ต่อกุกกุดจะราคาญราคาญว่าโอ้ยมันจะฟุ้งไปถึงไหนเมื่อไหรมันจะดีเนี่ยเรียกว่ากุกกุดจะ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 ใช่ครับหรือไปคิดจะบอกพ่อยังไงแล้วยังยังอยากคุยต่อไม่แล้วค่ะพอแล้วค่ะเห็นไหมหลวงพ่อบอให้ดูเผลอนียังไม่ยอมดูยังจะอธิบายต่อมันยังยังไม่หมดเรื่องนี้พี่อยากจะคุยมีเรื่องอยากสารภาพความผิดเยอะแต่วันนี้พอแล้วค่ะเออพอละะเราไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ต้องสารภาพบาปคุณผู้ชายแถวที่สองนะ่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 มีคือเห้งเจียมีตัวเดียวแหละ <c oughs> อ้าวใครจะคุยเชิญอ้าวนือมือมือยกมือเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าหายเพ่งแล้วนะครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังว่าเดี๋ยวจะเผลอมันจะอะไรนะจะเผลอครับเอฮทีนี้มันก็เริ่มเผลอไปเรื่อยๆเลยครับคือคือเห็นว่ามีโมหะเยอะขึ้นนะครใช่โมหะเยอะแล้วมันเยอะ มันมันมาเรื่อยๆเลยอะฮะเดือนกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเราต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมมีรูปแบบอันหนึ่งไว้ช่วยนะเช่นเราอยู่กับพุทโธก็ได้นะเราเราแต่อย่ากลับไปเพ่งนะรู้จักเพ่งแล้วใช่มครับเราพุทโธสบายๆไม่พุทโธเราอาจใจให้นิ่งนะพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเราขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้อย่าให้คนอื่นเห็นนะเราแอบแอบขยับเดี๋ยวเขาว่าเราบ้า ยขยับขยับเงี้ยแล้วใจเราแวบเรารู้ใจเราแวบเรารู้นะ <c ull ing> มันต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยใจจะหนีไปเที่ยวนานหลงนานนะ <c ull ing> งั้นในสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกให้มีวิหารธรรมวิหารธรรมในสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็เป็นส่วนของรูปเวทนาก็เป็นส่วนของนามนะจิตเป็นส่วนของนามธรรมนี่มีทั้งรูปทั้งนามก็รวมความก็คือเอากายกับใจของเราเป็นเครื่องอยู่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 เราต้องคอยเตือนตัวเองควบคุมมีวินัยมีวินัยในตัวเองนะครับคนโน้ น, นเบอร์85ยกมือแต่กี้นี่น่ส่งไปทางซ้ายครับแล้มาส ก, การหลวงพ่อนะครับก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่สถานาคิดยศ ส, สรารภาพบาทนะครับแต่ก็สักขอสรารภาพนิดหน่อยครับ<ม>ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขยันปฏิบัติสักเท่าไหร่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 ก็ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆพัฒนาไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิจิตใจทั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นญญนะ ม, มันถึงจะพัฒนาไปเรื่อยๆอมีใครจะยกมือทางนี้ทางนี้คุณผู้หญิงคุณปรางการรั่อการหลวงพ่อครับพระนิพพานจะจะเจอทุกบ่อยแล้วมันก็ห่วงอะฮะแล้ว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 ส่วนผลจะเกิดขึ้นมานะมันมันแล้วแต่กรรมของเขานะต้องพิจารณาอย่างนี้นะอะช่วยมันคิดแทนที่จะให้มันคิดในทางบีบคั้นตัวเองให้คิดลงเป็นไตรลักษณ์ไวนะ้คิดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่องลูกเรื่องอะไรนี่นะเป็นเรื่องสาหัสสู้ยากเรื่องที่สู้ยากที่สุดเลย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 ในการขัดเกลาตัวเองการเดินทางก็จะสั้นลงถ้าเราหลายคนนะให้ไปฆ่าสาัตว์เพื่อตัวเองไม่ทำนะแต่ให้ไปฆ่าปลาฆ่าไก่อะไรให้ลูกกินได้ทำนะมันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันมาพาเราลงนรก <c oughs> ต้องดูไปนะก่อนที่จะมาอยู่ในท้องเราเขาเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้นะ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 <c oughs> เคยมีหมอฟันคนหนึ่งม า, มาเรียนหลวงพ่อไล่ถามทีละคนนะอา้าวทำอะไรอยู่หมายถึงจิตขณะนั้นอกเล้ออยู่ค่ะทำอะไรเพ่งอยู่ครับพอมาถึงคนนี้เป็นหมอฟันค่ะ <c oughs> ไม่ฟังเลยว่าคนอืกเขาตอบอะไรนะช่างไม่ลอกการบ้านเลยนะ <c oughs> ที่ทำอยู่ดีละดีนะดูไปเรื่อยๆ อ, อดทนนะ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 นะไอ้คนนี้เห็นหน้ารู้เลยจู้จี้ที่สุดเลยนะเห็นก็รำคาญนะลำคาญหรือว่าำคาญนะเห็นคนนี้นะหน้าตาน่าเอ็นดูนะต้องฉีดยาให้มือเบาหน่อยนะเราก็รู้ทันฝนะึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหลนะอ้าวมีคนไหนเชิญยกมือต่อไปมีไหมหนึ่งอ๋อยกแล้วสีชมพูสีชมพูก่อน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 สุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตจะมารวมอยู่ที่ฝ่ามือค่ะอือค่ะแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะเย็นเออถูกต้องแต่ถูกต้องแบบสมถะนะแบบสมถะใช่ไหมคสมถะกรรมฐานใดๆที่ยังเจือด้วยความคิดนะั่นเป็นสมถะใช่ไหมมรณสตินะก็เป็นอนุสติหนะึ่งคิดถึงความตายเรียกมรณานุสติเวลาที่เราคิดถึงความตายจิตใจเราสงบ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 ถามหลวงพ่อก็คือว่าที่บางทีเห็นแวบๆนี่มันเป็นสติหรือว่ามันเป็นคิดไปเองเป็นยังไงเห็นแวบๆคือคือบางทีเราคิดอะไรอยู่แล้วมันก็แวบแล้วมันก็เหมือนตัดความคิดแล้วมันก็ถูกแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วที่ดูลมหายใจบางทีมันเครียดนี่คือการเพ่งใช่ไหมใช่ถ้าอยากสงบนะมันจะเครียดถ้าดูเล่นๆนะสบายแล้วก็จะสงบมที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่เช้าแล้วต้องสบายนะถึงจะสงบ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 ดูไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากเป็นลักษณะธรรมถาหรือไม่แม่มเราเดินปัญญาอยู่ญญเราเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับเนะีเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเราดูไปนานแล้วใจฟุ้งซ่านเราก็ทําความสง บ, บดูแล้วแหมมันเกิดดับทียิบเลยดูไม่ทนันละชัฟุ้งไปหมดละอันนี้ทําสมาธิทําความสงบแล้วถ้าอย่างก็หมายว่ า, าในเมื่อมันมันมีจิตตัวหนึ่งที่ว่าทำไปสักพักหนึ่ง มิมดเกี่ยวตัวรู้ว่าพอได้แล้วแต่แต่แต่ผมไม่เชื่อมันเพราะว่ามันเป็นการแบบจะให้เราล้มเลิกทางนี้ใช่อย่าไปเชื่อมัน ก, ก็ ด, ดูดูไปดูไปพนันงไอ้ไอ้ตัวที่บอกว่าจใจเลิกอะ่ะมันมั น, มนพอเรารู้ทานพุ๊บมันก็หายไปเออหายไปแต่ว่าของโยมลดความจงใจดูลงนิดนึงนะให้ดูสบายๆนะมันดูจริงจังไปนิดนึง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 ออให้มันได้อย่างนั้นภาวนาจนต้องถอนใจเลยนะเพราะจริงจังอา้าวใครจะยกมือเชิญหนึ่งแหม่หนึ่งก็ส่งส่งแล่วหลวงพ่อกล่าวว่าสาบแล้วเลิกนูน่นคนเสื้อขาวผมยาวยาวนูน่นอา้าวเชิญกรับนำมัศการหลวงพ่อนะคะอตอนนี้พยายามฝึกดู